เพง่งที่ครบคะนี่คือรายการสัมสีนสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวในวันนี้นอกเหนือจากในส่วนที่พระมาชาคาวโรได้พูดถึงประศุตไปแล้วรายการสัมสีนสนทนาซึ่งให้ความสำคัญกับพระศาสดาโดยเน้นวิที่ถ้อยคำของพระพุทธองค์ซึ่งเรียกว่าพุทธวจะนะมาโดยตลอดก็เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีเหลือเกิน ในช่วงที่ก็ตื่นตัวกันในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธรวมถึงประเทศไทยที่มีบางคนบอกว่าเป็นเมืองหลวงของพุทธศาสนาด้วยเนี่ยจะเฉลิมฉลองเราก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าจะเฉลิมฉลองกันอย่างไรแต่รายการนี้ขอตัดสินใจว่าเราจะเฉลิมฉลองด้วยการที่ให้ท่านนั้นได้รู้จักพระพุทธเจ้าคือหลังจากที่ได้ตรัสรู้มีพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยมากยิ่งขึ้น ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นพุทธวจนะอะไรไว้บ้างนะคะตอนนี้เราก็ไปพบกับผู้ที่จะมาเล่าให้เราได้รับความรู้นี้ซึ่งเราเรียกว่าเป็นช่วงของการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนั่นคือพระภัยบณ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศบุดรอนธานีค่ะน้อมสักการท่านคะเชิญพานก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านยัง เสียงไม่ใสเหมือนเดิมกำลังพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะทีนี้วันนี้ก็คงจะต้องให้ท่านได้พูดถึงพระพุทธเจ้ากันต่อในสิ่งที่ได้สอนเอาไว้นะคะพก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้พราบว่าตัวเองตรัสรู้เป็นสมาะสัพพุทธเจ้าแล้วนะที่ใต้ต้นไม้โพลก็ที่ใต้ต้นไม้โพลอีกเหมือนกัน นะที่มีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้ว่าพระรูชาเขายังอยู่ที่ใต้ต้นไม้โพนั้นอีกเจ็ดวันนะในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนี้ก็อุทานนะมีคําอุทานออกมาคําอุทานนี้ก็เหมือนกับว่าเราคิดเรื่องอะไรได้เรา่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอุทานออกมานะในลักษณะของการอุทานนี้ก็จะเป็นคําประเภทหนึ่งที่ เ, เราได้นํามาศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีการจดบันทึกเอาไว้นะทําบันทึกไว้ว่าพระรูชาเนี่ย ได้อุทานไหมว่าอะไรคือได้ได้ทรงรำพึงถึงหมู่สัตว์นะดังนี้ว่าสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีผัสสะบางหน้าย่อมกล่าวซึ่งโรคคือความเสียแทงนั้นโดยความเป็นตัวตนเขาสำคัญสิ่งใดเขาสำคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้นย่อมเป็นโดยประการอื่นจากที่เขาสำคัญนั้น สัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกพบบังหน้าแล้วมีภพโดยความเป็นอย่างอื่นจากที่มันเป็นอยู่จริงจึงได้เพลิดเพลิน อ, อย่างยิ่งในภพนั้ น, น, นเป็นข้อความเบื้องต้นแล้วก็มีอีกหลายตอนทีเดียวคือคถาเนี้ยเป็นกาถาที่ยาวพอสมควรคแล้วก็ยังพูดถึงว่าความเพลิดเพลินเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัย น่ากลัวเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นทุกขแต่คือบางทีเราเห็นสิ่งที่เปลิเนเเราก็เพลินไปเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นภัยกับเราด้วยซ้ำใช่ไหมค่ะอย่างบางนคนเล่นน้ําตกอย่างเงี้ยนะเล่นไปตามน้ำนะทะเลไ อ, อ, อ, อ้กระแสน้ําก็ไหลไปไหลไปเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นน้ําตกอย่างเงี้ยอ่าก็เป็นลักษณะนี้แล้วก็ยังได้ตรัสต่อว่าประมัญจันนี้อันบุคคลย่อมประพฤติก็เพื่อละขาดจากภพ พบนะพอสำเภาพอ่อพาน<ะ>นะซึ่งหมายถึงสถานที่เกิดแล้วก็สมณะหรือปรามเหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากพบว่ามีได้เพราะพบภพนะเรากล่าวว่าสมณะหรือปรามทั้งปวงนั้นยังไม่ใช่ผู้หลุดพ้นจากพบคือหมายความว่าถ้าเขายังคิดว่ามีสถานที่อย่างหนึ่งนะที่เราไปเกิดแล้วจะหลุดพ้นจากสิ่งพวกนี้อันนั้นยังไม่ใช่เราะนั้นก็คือภพอันไหนในพบทั้งหมด<ะ>หรือว่าถ้าเขากล่าวว่า ความหลุดพ้นจากพบมีได้เพราะความไม่มีพบคือวิภพเนี่ยก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากพบได้นั่นะคือบางคนคิดว่าตัวเองไม่อยากอยู่ที่นี้ก็เลยฆ่าตัวตายไปนั่นะคิดว่าจะไม่ต้องมีอีกด้วยคิดว่าความมีพบก็ไม่มีอย่างนี้คะ่ะอันนั้นก็เป็นทิฏฐิหนึ่งที่ถูกหนึ่งในเขาเรียกว่าสุดโต่งสองข้างคะ่ะคุณเจ้าก็เลยสรุปตรงนี้บอกว่าอ่าก็ เพราะความสิ้นไปแห่งอุปทานทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีซึ่งวิธีตรงนี้เป็นวิธีที่แหวกแนวมากคือเราไม่ได้พูดถึงสถานที่ข้างนอกแต่เราพูดถึงความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พระพุทธเจ้ายัางบอกว่าท่านจงดูโลกนี้เถิดนะสัตว์ทั้งหลายอันอนวิชชาหนาแน่นบังหน้าแล้วสัตว์ผู้ยินดีในพบอันเป็นแล้วย่อมไม่มีย่อมไม่เป็นผู้หลุดพ้นไปจากพบได้ก็พบ ทั้งหลายเหล่าหนึ่งเหล่าใดอันเป็นไปในที่หรือในเวลาทั้งปวงเพื่อความมีแห่งประโยชน์โดยประการใดพบทั้งหลายทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอันนี้ก็คือ ย, ยืนยันว่าถ้าเรายังนึกถึงพบเนี่ยใ น, ในที่พุทธเจ้าบอกในที่หรือในเวลาทั้งปวงเนี่ยนะก็คือพูดถึง time and space หรือถ้าเรายังมีสถานที่ใดที่หนึ่งอยู่เนี่ยเราก็ต้องพูดถึง space ถ้ามันมี Space ทม์มันก็ต้องมีมาด้วยค่ะพนะระเจ้าก็จึงพูดถึงนิพพานเนี่ยเป็นสถานที่ที่ไม่มี t i ม e ไม่มีสเปซค่ะแล้วก็เพราะว่าความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือแห่งพบทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาโดยประการทั้งปวงนั่นก็คือนิพพานพบใหม่ย่อมไม่มีแก่เธอผู้นั้นผู้ดับเย็นสนิทแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่น เธอผู้นั้นเป็นผู้ที่ครอบงำมารได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นผู้คงที่คือไม่มีการเ ป, ปลี่ยนแปลงอีกต่อไปดังนี้อันนี้ตอนอยู่ใต้ต้นไม้โพ อ, อยู่เราได้ตรัสอย่างนี้มีคาว่าพบมากจริงๆพบพอสำเพอพอพานในที่นี้พระพุทธองค์หมายถึงอะไรแล้วก็ทั้งหมดนั้นถ้าจะให้เข้าใจง่ายเข้าเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ พบในที่นี้คือหมายถึงสถานที่เกิดค่ะสถานที่เกิดที่หมายถึงว่าเป็นที่ที่จิตเนี่ยจะไปก้าวลงได้คือถ้าเรายังมีความกําหนัดมัวเมายึดมั่นถือมั่นในในสถานที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งเนี่ยนะจิตเรามันจะเข้าไปเลยมันจะเข้าไปก้าวลงยึดถือสิ่งเจียนที่นั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเหมือนกับจิตของเราเนี่ย ก็จะมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวเวทนาสัญญาสังขารสี่ขันธ์เนี่ยเป็นภพเป็นภพค่ะภพเนี่ยคือที่ที่มันจะไปก้าวลงเกิดได้ค่ะก็คล้ายๆลยกับเมื่อวานใช่ไหมคะว่าเหมือนกับพระพุทธองค์ได้ตรัสให้เห็นว่าภพเนี่ยมันเป็นที่ของของทุกถูกไหมคะ ม, มันเป็นพอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมีทุกดังนั้นเนี่ยจะต้อง จะต้องจะต้องไม่ทำให้มันมีพบคือไม่มีตัณหาใช่จะได้ไปนิพพานถูกต้องนะคะครูชา พ, พูดถึงตัณหากับอุปาทานค่ะยึดมั่นความอยากกับความยึดมั่นใช่เพราะฉะนั้นกันบ้านที่ท่านเพบูรณ์จะให้นำเอาพุทธวจนะนที่ตรัส หลังจากที่ตราสรู้แล้วอันนี้สดๆร้อนๆเลยตรัสรูได้แค่เจ็วันเองใช่ใช่เอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาอีกแหละอืมก็ยังอยู่ในเรื่องของการให้ละความอยากกับละความยึดถูกต้องนะคะที่สรุปอย่างนี้ก็ดีเลยค่ะยังพอมีเวลาที่จะให้กับผู้ที่ถามคําถามมาก็ไม่อยากให้ท่านทั้งหลายคอยนานนะคะอหมือน ก, กั บ, บท่านนี้ชื่อคุณกำมลชัยเนี่ยค่ะ นามสกุลจีระนันต์ชายก็ถามมาว่าเขาทความหมายของคำว่ารู้ในหนังสือพุทธวจนะเรื่องอาณาปานสติเช่นหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้คำว่ารู้คือรู้อย่างไรมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนฟังรายการทุกวันขอบคุณคะ่ะก็เป็นผู้หนึ่งที่ฟังรายการนี้ทุกวันเลยเนาะดีจังเลยขอพคุณนะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องบอก ต้องดูที่บาลีแตนะ่พระพุทธเจ้าพูดถึงคําว่ารู้ตรงนี้คือประชานาติ<ะ>ประชานาติน ะ, ะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เนี่ยรู้คือมันก็มีความหมายเดียวนั่นแหละนะแปลว่าการรับรู้ของเราหรนะรู้ในที่นี้คือหมายถึงว่าการที่เรารู้ว่าสิ่งนี้มีอยู่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงเหมือนกับว่ากิริยาที่รู้ได้มีอยู่ในสิ่งใดเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าการรับรู้นั่นะคือวิญญาณเช่นรู้ว่า อันนี้เปรี้ยวนะอันนี้เค็มนะอันนี้หวานนะอันนี้ขมนะพวกนี้คือรู้หมดค่ะอย่างบางทียกตัวอย่างเอ า, เอาที่เราไม่รู้ก่อนอย่างเวลาบางทีเราอ่านหนังสืออยู่อย่างเครื่องครึ่งอย่างเงี้ยแม่เรียกเป็นต้นนะแม่ะตะโกนมาจากไกลๆลูกลูกเสียงเนี่ยเข้าหูเรานะผ่านกระดูกทั้งคอนโทนใช่ไหมค่ะแล้วก็ผ่านแก้วหูด้วยมันส่งสัญญาณเป็นกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหัวแต่จิตเราไม่เข้าไปรับรู้สัญญาณตรงนั้นเราก็ไม่ได้ยิน อันนี pues mm ้คือเรียกว่าไม่รับรู้คือไม่รับรู้นะแต่เสียงมีเข้าใจไหมจนกระทั่งแม่เรียกครั้งที่สี่เพราะแม่เรียกครั้งที่สี่เนี่ยก็เสียงดังเท่าเดิมมาเลยแต่ว่าจิตของเราเข้าไปรับรู้เราจึงรู้ว่าอ๋อแม่เรียกแล้วคแต่ตรงนี้คือการรู้บางคนเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกตั้งแต่เกิดจากท้องแม nah ่มาเนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่เคยหยุดหายใจสักครือกหนึ่งเนี่ยแต่ว <ș> ่าไม่รู้ฮะว่าเราหายใจยังไงอันนี <t> ้คือคุณไม่รู้ไง แล้วถ้าคุณมารู้ผู้ชายสมองให้คุณรู้นะรู้ว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตัวเองหายใจเข้าหายใจออกอยู่ค่ะง่ายไหมก็คือรู้นี่เลยเพราะนั้นอย่างนี้ดีไหมคะท่านเพบูบุญเราบอกท่านฟังทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยว่าลองทำความรู้กันสิกับลมหายใจของท่านใช่ทีนี้ว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้จับต้องได้มันคเคลื่อนไปเคลื่อนมา ใช่ไมแล้วก็มองไม่เห็นด้วยเนี่ยทาให้เวลาเราจะไปรู้ลมหายใจเนี่ยเราจะรู้ที่ไหนดีนะักปรัชชาก็เลยพูดถึงจุดที่เป็นปริมุก ข, ขังคือทางเข้าทางออกของลมหายใจเอารู้มันตรงนี้แหละค่ะปริมุก ข, ขังเนี่ยคือทางเข้าทางออกของลมหายใจซึ่งถ้าเราทําความกําหนดรู้นตะ่งคลเขาก็ใช้คําว่ากําหนดนะรู้บ้างกําหนดบ้างสังเกตบ้างรับรู้บ้างคํานี้เป็นความหมายเดียวกันหมดเลยนะแปลว่าความรู้ถึงลมหายใจ ท, ทีนี้พอเราทําไปทําไปเนี่ยรู้เนี่ยเราก็มารู้อยู่ตําแหน่งเดียวคือในโพรงจมูกที่ลมมันมากระทบผ่านเข้าพันออกอยู่ในโพรงจมูกนี้เนี่ยนะคแต่ผมว่ายัางเห็นไม่ชัดอาจจะหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสักสองสามครั้งอย่างงี้นะสองสามครั้งแล้วก็ลม <laughs> รู้สึกลมมันกระทบตรงไหนเราก็เอาความรับรู้คือเอาจิตของเราเนี่ยเอาไว้ตรงนั้น แต่ท่านพิบูลวันนี้อาจจะหายไม่ค่อยสะดวกทางคหายใจนี่ค่ะแล้วถาว่าถ้าท่าเราป่วยจะทำยังไงง่ารสิคะถ้าเราป่วยหรือว่าเราดำน้ําเนี่ยมันไม่มีลมหายใจแล้วเร า, เราจิตเราจะไปไว้ตรงไหนนะหรือว่าเวลาที่เรากล้าหายใจอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงก็ก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยคือลมหายใจเนี่ยพระเจ้าเอาไว้เป็นเครื่องล่อเฉยแต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือจิตสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือตัวจิตนะจิตที่มันมารู้ลมหายใจนี้เราต้องการตัวนี้ เราต้องการลมหายใจมาล่อนะเพื่อที่ให้จิตมาอยู่ที่นี่ทีนี้ถ้าเรารู้จักวิธีการบังจิตของเราแล้วเนี่ยรู้จักวิธีที่จะควบคุมจิตของเราแล้วเนี่ยลมหายใจนี้ก็ไม่จําเป็นเวลาที่ลมหายใจมันหายไปแล้วนี่แสดงว่าจิตของเราเนี่ยมันละเอียดกว่าลมหายใจละแต่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติมาต่อเนื่องเนี่ยจะทราบว่าโอ้บางทีลมหายใจของเรามันหายวับไปเลยนะ <m> มันหายก็แบบแทบเหมือนก็เราไม่ได้หายใจเนี่ยก็คือหมายความว่าการรับรู้ของเราตรงนั้นเน่ยมันละเอียดกว่าลมหายใจไปแล้วไง ที่ว่าละเอียดกับลมหายใจเนี่ยการรับรู้ของเราไปรับรู้อะไระคะตอนนั้นคือมันอยู่กับตัวรู้เฉยคือคอย่างสมมุติว่าคุณคุณคุณยมติวเราจะพิจารณา ด, ดูไอ้ยลมหายใจเราผ่านเข้าออกเนี่ยตัวคนที่ไปรู้ลมหายใจกับตัวที่เข้าไปตัวลมหายใจมันคนละตัวกันคือผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจกับผู้ตัวลมหายใจเองเนี่ยคนละตัวกันเรารู้สึกได้ถูกไหมค่ะออย่างเช่นว่าตัวตัวเราก็ตัวเราใช่ไหมจิตเราก็จิตเรามป็นคนละส่วนกัน ลมหายใจก็คือลมหายใจส่วนหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้ลมหายใจก็อีกส่วนหนึ่งทีนี้อา้าวแล้วใครมาเข้ามารู้ตัวรู้ที่ไปรู้ลมหายใจเนี่ยเราจะเจอตัวนั้นไงพอลมหายใจมันหายไปแล้วเนี่ยเราจะเจอตัวที่เข้ามารู้ไอตัวรู้นี่อีกทีหนึง่งมออันก็เอาจิตเราไว้ที่เนี่ยงั้นถ้าสมมุติว่าเป็นหวัดนี่ก็โอกาสดีสิคะจะมีโอกาสรู้ตัวรู้ข อ, ของของตัวที่ไปรู้ค น, คนที่ป่วยหรือว่าคนที่รับทุกขเวทนาเนี่ยนะ ถ้าบอกว่าคุณสามารถอดทนได้เนี่ยอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้คุณสามารถเข้าสู่สมาธิได้ดีด้วยอืมนะคะทีนี้เรามาสรุปให้คุณกมลชัยดีกว่าว่าโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่องของลมหายใจบางคนอาจจะทั้งชีวิตไม่เคยหยุดหายใจแต่ไม่เคยสังเกตลมหายใจใสรุปยังไงอีกครั้งหนึ่งคะ ก็คือสรุปว่าแค่เรามาทําความนึกถึงให้เรามาตั้งสติเอาไว้ตั้งความนึกถึงไว้ที่จุดนี้เท่านั้นเองลมหายใจของเราทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยคือตัวก็รู้ตัวเดียวกันนี่แหละแต่ความละเอียดของมันมีหลายระดับมากจนถึงระดับระดับที่จิตปล่ยวางเป็นบ้าหลานนั่นเลยนั่นก็ตัวรู้เดียวกันนี่แหละแต่ความละเอียดมันสูงเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกับคุณเจ้าจของคําถามคุณกระมอชัยเนี่ยให้เข้าใจชัดเจนก็คือว่ามีตัวรู้ตัวเดียว แต่ความละเอียดของมันนั้นมากจริงๆค่ะนะก็ไม่ได้ไปรู้อะไรพิสดารคือการรับรู้ที่เรารับรู้อะไรต่อเมื่ออะไรต่างๆนี่แหละใช่นะคะในคาว่ารู้ที่ถามมานั้นเองและถ้าหากว่าจะได้นอกเหนือไปจากนั้นวันนี้ท่านเปบุญได้พูดดีฉันจดไว้ไพเราะมากนะคะแปล ว, ว่าประชานาติถ้าเป็นภาษาบาลีใช่ประชานาติ ประชานาติวันนี้ก็จกลงที่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะเราได้ความรู้เยอะทีเดียวท่านพิบูลเองก็คงจะต้องอใช้เวลานิดนึงนะคะที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นค่ะพวกเราก็ขอให้ท่านหายไวๆนะคะนวส ก, การขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะท่านฟันคะและสำหรับการที่ ท่านทั้งหลายฟังรายการสันนิษ น, นานในช่วงของปีนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าท่านจะได้มีส่วนในการที่ระลึกถึงการเกิดของพระาศาสดา 2,600 ปีด้วยการไปรู้จักท่านให้มากขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาแห่งปีของการตรัสรู้จนเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะให้ท่านเนี่ยได้นาเอาไปประพฤติปฏิบัต สำหรับข้อธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาก็จะได้เป็นการถวายพุทธบูชาด้วยการปฏิบัติซึ่งเราถือว่าเป็นการบูชาอย่างสูงสุดด้วยนะคะรายการนี้สันสนิสนทนาค่ะเรามีหนังสือพุทธวจนะยังแจกให้ท่านอยู่เช่นเคยนะคะก็เป็นหนังสือที่ได้มาจากพระอาจารย์ครึกฤิปโสธิโลท่านเจ้าอาวาสวัดนป่าพงลำลูกกาคลองสิทธิ์ที่พระมาชชาทวาโรจำพรรษายอยู่นั่นเองวละสามท่าน การที่ศึกษาสุดตะดิฉันเห็นบางคนเนี่ยนะคะศรัท ธ, ธามากมาจากต่างประเทศค่ะมาจากอังกฤษมาท่องให้ฟังเป็นฉ า, ฉากฉากฉากฉากเลยท่านจะเป็นผู้หนึ่งที่นำหนังสือไปท่องอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าเท่ากับท่านกำลังทำหน้าที่ให้คำสอนของพระศาสดานั้น สืบทอดต่อไปวันนี้เราขอเชิญท่านทั้งหลายมาติดตามรับฟังรายการสัมสนีสนทนากันอีกนะคะในวันรุ่งขึ้นเวลาตีห้าเช่นเคยวันนี้พุ้โทรสวัสดีค่ะ